สองที่ที่ผ่านมาได้ไปประเทศอินเดียอย่างที่รู้กันนะก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่น่าจะเล่าสู่กันฟังปกตนะิคนไทยเวลาไปอินเดียก็มีคนไปเยือนสองเวชนิสถาน ซึ่งเรียกว่าเป็นพุทธภูมิแต่ว่าเที่ยวนี้นะไปไปเหนือกว่า น, นั้นนะสังวิเชยสถานนี่จริงก็อยู่ด้านทิศเหนือของประเทศเดียแต่ว่าเหนือขึ้นไปนะมันก็มีที่น่าสนใจโดยภาพที่เป็นบริเวณทื่เขาหิมาลัย ไปเที่ยวนี้ก็ไปด้านตะวันตกของเทือกเขาฮิมาลัยอย่างที่เราทราบจุดสูงสุดของฮิมาลัยก็เอเวอเรสต์นะนั้นอยู่ประเทศเนปาลแต่ว่ามันก็มีภูเขาสูงอีกหลายแห่ง ไปเที่ยวนี้นี่ก็มุ่งไปที่เป้นกําเนิดแม่น้ํำคงคาแม่น้ําคงคานี่ก็เราสงสัยมันก็มีเต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยมาจากมีต้นกําเนิดมาจากเขาสูง สูงก็หกพันเจ0ดพันเมตรจากระดับน้ำทะเลทางคนอินเดียโดยเฉพาะอินดูนี่ก็นับถือแม่น้ำคงคามากก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่มาจากสวรรค์ไปถึงแล้วนี่ก็ก็มันก็น่าจะ ทำให้คนเกิดควาก็จะอย่างนั้นนะเพราะว่าต้นกำเนิดแม่น้ำคงคานี่มันมาจากเขาที่สูงจริงๆแต่ก็หาตําแหน่งแห่งที่ไม่ได้เพราะว่ามันมีเปต้นกําเนิดก็จะ ก, กระจายแม่น้ำคงคามันเขาจะว่าไปแล้วก็เกิดจากแม่น้ำ ใ, ใหญ่ๆสองสาย คล้าเจ้าพยายนก็เกิดจากปิง่งวางยมนาสองสารนี้ก็คือแม่น้ำอรักขนันทะนะกับแม่น้ำอภิภคีรถนะีชื่อฟังยากหน่อยไม่เหมือนคงคาคงคาฟังง่ายอรักขนันทะกับภคีรถี ก็ก่อยจะด้านต้นไปถึงเรียกว่าเฉียดต้นนางของทั้งสองแห่งนี้ก็เรียกว่าไกลต้องนั่งรถนะนั่งรถเป็นวันวันแล้วก็เดินอีกเป็นวันวันเริ่มต้นสตาร์ทนะที่เมืองดูสีเกต สีเกตนี่ก็เป็นเมืองสำคัญคนไทยก็รู้จักเมืองนี้กันมากเป็นเมืองที่โด่งดังเพราะว่าบิทเทิลนะคณะนักดนตรีบิเทิลเนี่ยเขาตอนที่เขาดังแล้วเขาก็สนใจเรื่องเรื่องจิตปัญญาเขาก็เลยมาแสวงหา กับฤษีคนหนึ่งนะชื่อมหาฤษีนะมาฤีซึ่งตอนนั้นฤสีเกตก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นะรู้จักกันเฉพาะแต่คนอินเดียฝนะรั่งไม่รู้จักมาฤษีนี่ก็ ตั้งอาสมอยู่บนเขาบี๊เทิลก็ไปไปศึกษากับหมาลือสีเนี่ยก็จะตอนหลังเนี่ยสตีฟจ็อบ์กับเพื่อนเขาอีกคนนึงวอสเนียปซึ่งเป็นคู่หูที่ตั้งบริษัทแอปเปลเนี่ยเข ก, ก็มาที่เมือง น, นี้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ลูสีเกตก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วรูปพรานมากแขกก็เยอะฝรั่งก็มากไปเจอคนไทยด้วยนะคนไทยก็ไปเรียนโยคะมีฝรั่งจํานวนมากนี่ไปเรียนโยคะสํานักโยคะนี่ก็เพียบเลยตอนที่ดีว่าลุสีเกตเป็นเมืองที่ เป็นสำาักโยคะเราก็นึกภาพว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำคงคาสงบเงียบผู้คนมาเล่นโยคะกันริมน้ำไอะไรๆจำนองนั่นแต่จริงแล้วนี่เขาเล่นโยคะกันในตึกตึกเยอะแยะหมดเรียนโยคะกันในตึกก็ ไม่รู้ว่าเรียนได้ยังไงในหน้าร้อนนะไอตอนที่ไปนี่มันก็ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่โดยเพราะเวลาที่ไม่มีฝนตกแด่ก็เปรี่ยงแต่คนคงเล่นโยคะกันได้นะไม่เห็นคนเล่นโยคะนะเพราะเรียนกันเ ล, เล่นกันอยู่ในตึกแต่ว่า เยอคนคงเรียนกันเยอะมากเพราะว่าสำนักโยค้าที่เ็าประกาศหรือว่าโรงเรียนโยค้านี่มีเป็นร้อยนะต่างก็โฆษณาสปปรรพคุณอยุธสเกนี่เป็นเมืองที่จะว่าไปแล้วก็สวยนะเพราะว่ า, าเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ำคงคาแล้วก็ติด ก, กับภูเขา สงบร่มรื่นสมควรเหมาะสมกว่าที่ฤศีมามามามาปฏิบัติก็เห็นพวกสาธุสาธุสาธุหรือว่าพวกที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแบบอินเดียสาธุก็ดีฤสีก็ดีก็พอเห็นอยู่เมืองนี้นี่ก็ เรียกว่าเป็นจุดเป็นจุดตั้งต้นก็ว่าได้นะของผู้ที่จะแสดงบุญจะริไปยังต้นกระหน่ไปน้าคงคาจะเริ่มต้นที่เมือง น, นีนะ้หรือศรีเกศสมัยก่อนก็เดินไปนะเดินไปซึ่งก็คงก็ใช่แหละเป็นเดินเดือนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกแล้วมีรถตั้งต้นจากฤสีเกศก็เดินก็ขับนั่งรถกันต่อไปมันมี มันมีอยู่สี่จุดนะที่คนนิยมไปจาริกถือว่าเป็นต้นกำเ น, นิดนม่น้งคงคาสี่จุดนั้นก็คือเคดานาตเคดานาอันนี้อยู่สูงสุดนะต่อมาก็พัตรีนาแล้วก็ยามโนตรีแล้วขังโคตรี แต่ว่าที่ไปนี่ไปแค่สองจุดนะคือปตรีนาจากคังโกตรีจากโรซิเกตเราก็นั่งรถนั่งรถเป็นเป็นวันนะจริงระยะทางก็แค่ไม่ไม่ประมาณ300รกิโลเมตรไม่ถึงได้ซ้ำแต่ว่าในอินเดียเนี่ยปกติเราเดินทางเดินรถนี่ก็ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนั่นก็30กิโลเมตร ส0มสิบกิโลเมตต่อชั่วโมงถ้าสามร้อยกิโลเมตรก็สิบชั่วโมงเพราะว่าถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้รถก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าถนนยังไม่ดีถนนส่วนใหญ่ก็สองเลนแต่ก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามเพราะว่าเดินออกนั่งรถนี่ไปตามไหลเขาถนนนี่มันตัดไปตามไหลเขา ข้างล่างก็เป็นแม่น้ำคงคาตลอดเรียกว่าเกือบสิบวันที่ผ่านมาก็เห็นแต่ภูเขากับแม่น้ำนางรถนี่เส้นทางนี้นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลัดลา ะ, ะไปตามหลายเขานะแต่ว่ามันหลายจุดนี่ก็เป็นการลอดขอบเผวเพราะว่า ถนนนี่มันอยู่สูงจากจากแม่น้ำมากนะสูงประมาณร้อยสองร้อยเมตรเลยทีเดียวด้าน้าก็มันก็ถนนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีมีมีรั้วกั้นขอบถนนกั้นขอบถนนด้วยนะอยู่ก็ยิ่งถ้าไปลึกๆเนี่ยนะ เวลาเรามองเวลานั่งรถเรามองลงไปนี่จากขอบถนนก็เป็นเหวเลยนะไม่มีรั้วกั้นขอบถนนเอาไว้แล้ที่สูงสูงเนี่ยนะต้นไม้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วต้นไม้ไม่ค่อยมีภูเขาเนี่ยมีแต่มีแต่หินล้วน ตอนนั้นเนี่ยถ้าอาว่าตกจากขอบถนนไปก็ก็ลงเหวเลยนะไม่มีต้นไม้ที่จะคอยคอยจะยึดดึงเอาไว้และเพราะมีต้นไม้เนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรบังตาเราก็เลสามารถที่จะมองจากขอบถนนลงไปก็เป็นเป็นเหวเป็นเป็นแม่น้ําเลยแล้วก็ไหลเชี่ยวมากนะทุกที่ที่ไปนี่เจอแต่น้ําที่ไหลเชี่ยว ปกติเวลาเวลาเราไปต้นน้ำเนี่ยลัดล่อไปตามต้นน้ำในเมืองไทยเนี่ยยิ่งขึ้นที่สูงยิ่งไกลถึงต้นน้ำเนี่ยน้าจะลำน้ำลาห้วยจะเล็กจะแคบแล้วก็ไหลเอื่อยๆธรรมชาติของเมืองไทยเป็นอย่างนั้ น, น ย, ยิ่งลัดล่อขึ้นไปไกลต้นน้ำเท่าไหร่ น, น้ำก็จะค่อยใส ลำน้ำก็จะแคบแล้วก็ไหลเอื่อยๆแต่แม่น้ํำคงคาเนี่ไม่ใช่เลยนะยิ่งยิ่งไปสูงเท่าไหร่นะไปใกล้ต้นน้ำเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งเห็นกระแสน้ําที่เชี่ยวเชี่ยวมากๆเพราะว่าเรากําลังไอ้ที่เราไปนี่มันเป็นต้นน้ำมันเป็นเป็นที่สูงที่เป็นหน้าผาสูงชัน สูงชันมากน้ำจึงเชี่ยวก็จากฤาสีเกก็ไปถึงพัตรีนาดก่อนพัตรีนาดนี้ก็ก็เป็นเมืองของคนจาเลกสแสวงบุญก็เจอพวกสาธุพวกฤาษีเยอะคนก็ไปแต่ไปที่นั่นเนี่ยไม่มีทางได้อาบแม่นำ้ำคงคาเนาะ เพราะน้ำมันเชี่ยวมากตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำที่อลักขณนันทะแต่คนก็ยังยังถือว่าได้ไปอาบน้ำร้อนก็ยังดีไปถึงนั่นก็ไปอาบน้ำร้อนภาษหน้าก็ไม่สำหรับเราก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเรก็ต่อไป ต่อไปยัง อ, อีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่ก็ประมาณสักขับรถประมาณสองชั่วโมงก็จะไปเจอต้อนก น, นิหของแม่น้ำคงคาอีกสายหนึ่ง น้องเขานี้ต้องเดินละเดินสิบสี่กิโลไปถึงโควินกาดไม่ใช่ไปถึงแกงเกลียเราเดินจากโควินกาดไปแกงเกลียวสิบสี่กิโลเดินอย่างเดียวเลยคนเดินเันมากทีเดียวเดินเพราะพวกสิกเพราะว่าจุดหมายปลายทางใกล้ๆ ก, กันเนี่ยมันมีทะเลสาบชื่อเทเลสาบเพมคุณ มันมีวัดซิกที่ศาสดาของชาวซิกเข้าไปตั้งสำนักอยู่จะรว่าสำนักก็คงไม่คงไ ม, งไม่ไม่รู้จพูดถูกหรือเปล่ปาเพราะว่ามันเป็นที่สูงมากสูงระดับประมาณ 4,000 เมตร 4,000 กว่าเมตรนะ 4,300 เมตรแล้วก็ ขนาดไปถึงแกงเกลียเนี่ยเดิน14กิโลถึงแกงเกลีย์เนี่ยยังไม่จบนะต้องเดินต่อย4กิโลนะถึงเทเรซาแหมคุณแต่จะเรียกว่าเดินไม่ต้องเรียกว่าไตอยู่วะไอตอนเดินจากโกวินการไปแกงเกลีย์14กิโลนี่ก็เหนื่อยมากแล้วนะเพราะว่าเส้นทางมันชันมากอีกอย่างนึงก็คือว่า อากาศมันเบาบางเพราะว่าสามพันกมตรแล้วเดินจากสามพันเมตรขึ้นไปสามพันแปดร้อยเมตรนี่มันก็อากาศเบาบางมากจะเหนื่อยง่ายเดินกันได้ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณสองกิโลสามกิโลเท่านั้นแหละขนาดเดินเดินตัวเปล่านะเพราะว่ามันมีมันมีมีลูกหามีม้า ขนสเสบียงคนสัมภาระจริงตอนที่ไปนี่มันก็มีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะเฮลิคอปเตอร์บินระหว่างที่เดินได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังเป็ระยะระยะพรคนจํานวนมากก็ใช้เฮลิคอปเตอร์กัเส้นทางเดินจากโควินกาดไปแกงเกลียสิบสี่กิโล ออกเดินทางประมาณสิบโมงกว่าจะถึงที่พักได้ก็ห้าโมงครึ่งเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะสารเรือทางสิบสี่กิโลหลายคนก็ถอดใจกันตั้งแต่กลางๆแล้วแต่ก็ยังสู้พอมาถึงสองลายไม่สุดท้ายนี่ ที่แรกก็นวาจบแล้วนี่ที่ไหนได้ต้องเดินอีกสองร้อยเมตรและชันมากบางคนก็ถอดใจนะขี่ ม, ม้าหรือว่าหรือไม่ก็นั่งเรียกว่านั่งเสลียงแต่จริงถ้าเดินไปสักหน่อยก็กพอไหวค่อยๆเดินถ้าแต่เดินมาเนี่ยเดิน สถานที่จารึกสำคัญคญไม่ว่าจะเป็นตักสงังถ้าเสือที่ภูฐานหรือว่าอดัมสปีกที่ประเทศลังกากถือว่าสู้ไม่ได้นะกับการเดินในอินเดียตักสังก็ใช้เวลาวันสีชั่วโมง ดังสพิกนะก็ประมาณเดินประมาณสามสี่ชั่วโมงเคยเดินแบบนอนสต็อปเลยนะเดินเดินแบบไม่หยุดเดินไปเรื่อยเรื่อยเดินช้าช้าใจอยู่กับปัจจุบันเดินทีละก้าวทีละก้าวชันแค่ไหนก็เดินทีละก้าวทีละก้าวไม่หยุดก็ไปถึงนะสลิปลาท่าเนี่ยเดินแบบนอนสต็อปนี้ได้แต่ว่า ไปแกงเกลีย์นี่นอนสต็อปนี่ไม่ได้เลยมันต้องหยุดพักเป็นระยะเพราะว่าสู้อากาศที่เบาๆไม่ค่อยไหวต้องกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี่ต้องหายใจเข้าลึกๆหายใจาายใจาวๆถ้าปล่อยใจลอยไปคิดถึงเป้าหมายใจก็จะเครียดกังวลวิตกแล้วการหายใจก็จะจะเสียไป อากาศเบาบางเนี่ยหัวใจยิ่งเต้นเร็วยิ่งเหนื่อยง่ายต้องหายใจเข้าเรื่อยๆใ จ, า ย, ใจ ย, ายาวแม้กรก็ต้องหยุดพักเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะไปถึงพอไปถึงที่พักนี้ก็เรียกว่าต้องนอนพักอยู่ยาวเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไม่งทําอะไรนอนอย่างเดียวนอนเอาแรงไอ้ตอนนั้นนี่ ที่สูงนี่แดดมันก็แรงเันนะแต่แดดไม่ได้แรงอย่างเดินธรรมยาตาคือแดบดบคือแรงแบบพอทนได้แต่ว่าพอเดินแล้วถึงค่อยรู้ว่าโอมันแรงเพราะว่ามันมีอาการคล้ายไข้ขึ้นแดบดบมันเผ า, า, ายังกระทั่งไข้ขึ้นเลย ถึงแกงเกลือแล้วนี่วันรุ่มขึ้นถึงค่อยเดินไปแหมคุณแต่ครานี้เดินไม่ไหวแล้วเพราะามันชันจริงๆเนี่ยไม่เคยเจอเห็นเส้นทางที่ชันขนาดนั้นชันแบบ45องศาตลอดทางตลอดทางสี่กิโลเมตรสุดท้ายก็ต้องนั่งนั่งมา้านะขนาดมานี่เดินตลอดนะเดินขนาดความเร็วเร็วกว่าคนนะ เดินนาตในระดับที่เร็วกว่าคนเรื่องใช้เวลาสองชั่วโมงเอ้ม้ายังก็เหนื่อย <Okay. S 2> มันก็มันต้องหยุดเป็นระยะเหมือนกันมันเหนื่อยมากแล้วเวลามันเดินก็เดินทะแยงนนะเดินเดินทะแยงมันมบางช่วงมันไม่สามารถจะเดินตรงได้เพราะทางมันชนันก็เดินทะแยงทะแยงซ้ายทะแยงนขวา บ่อยครั้งก็เดินล็อกขอบเหวแมันเหวจริงๆนะเพราะว่าต้นไม้ไม่มีแะ้ระดับความสูงเกือบสี่พันเมตรนี่ต้นไม้ไม่มีมีแต่หญ้าเราก็เสียวๆนะเวลาเดินเวลานั่งมาล้มามันเดินขอบเหวเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะมันจะเดินมันจะก้าวเท้าพลาดหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยก้าวเท้าพลาดสักที ไปถึงเ็นคนนี่อาการก็หนักเลยนะเพราะว่าอาการเบาบางมากหัวใจก็เต้นเร็วเส้นเลือดที่ที่หที่สมองก็เต้นตุกตุกตุ ก, ตกแต่ก็ยัดีกับเพื่อนนะเพื่อนบางคนนี่กาหมดสภาพไปเลยปวดหัวเวียนหัวทำอะไรไม่ต้องนอนฟุบนอนเอาแรงอย่างเดียว พอกลับไปถึงที่พังนี่ปรกว่าไข้ขึ้น ต, ต้องหนาวสั่นจนต้องดีที่มียาเอามาด้วยก็ฉีดยาอากาศเบาบางนี่มันมันเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการเดินทางไปในพื้นที่แบบนั้นเทเลสตาเป็นคุณ น, นี่ใสนะรอบๆนี่ก็เป็นภูเขาหิมะนั้นแหละ เป็นที่แสนบุญของชาวซิกนะชาวซิกนี่เราจะเห็นตลอดทางตั้งแต่ดูสีเกตแลว็จะเห็นยกขี่มอเตอร์ไซค์บ้างนั่งรถบ้างเรารวดเป็นขบวนจารลิฟา์ก็จะมีปะ๊ก็จะมีธงธงสีนะ้สีสีส้มขี่จั ก, กรยานหรือว่ารถบัสแล้วก็เส้นทางที่เดินจาก โกวินกาไปแกงเกลียก็ยังมีชาวซิกเยอะยิ่งไปถึงฮัมเห็นคุณนี่โอซิกทั้งนั้นเลยไปทําอะไรนะไปเพื่อได้อาบน้ำํำก็คมถือว่าสักวักนซักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ก็ต้องไปเห็นคุณต้องไปอาบน้ําทำเดียวนี้คล้ายๆกับพวกหินดูที่ต้องนิยมไปอาบน้ำอาบน้ำแม่น้ําคงคาซักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ฤาษีเกียก็มีเยอะเราก็ลองไปอาบน้ำก็แบงก็ผุทธพุทธดํดดนาน้ำสักสองครั้งก็ต้องรีบขึ้นแนละ้วเพราะว่าลมมันแรงส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละคนคนซิกก็ดําอยู่สักสองครั้งสามครั้งก็ขึ้น อยู่ไม่นานเพราะมันหนาวมากขากับขี่ม้าลงมาก็สองชั่วโมงนั่นนะขาลงนะสองชั่วโมงขนาดสี่กิโลนะม้ามันก็เดินเรื่อยๆหยุดพักอยู่สองครั้งเพิ่งรู้ว่าขี่ม้านี่เนื่อเราะขาลงนี่ทรมานมากเพราะมันกระแทกก้นกระแทกก้นกระแทกเวลา ม้ามาลงก้าก้าลงขั้นบันไดนี่กระแทกกระแทกจนทั้งกวนเป็นแผลเลยแล้วบางช่วงนี่มันชันมากนี่ม้าลงนี่เราเกิดถูกเวียงลงมาจากไม้ม้าแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งมันทางมันขั้นบันไดมันมันสูงมากพอม้าลงเนี่ย พอม้าลงสองข้างแรกก็ไม่ทาลายพอไอขาหลังมันลงก็กระดกนะกระดกเกือบจะตกลงมาจากมา้าแต่ดีที่ยึดเอาไว้ทันก็เลยรู้ว่าการขี่ ม, ม้านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต้องทรงตัวตลอดเวลาก็ต้องท า, า, ต, งาตัวให้ยุวยเอาไว้เพราะมันงั้นจะเหนื่อยมาก จากเฮมคุณนี่ก็กลับลงมาก็ต้องพักนะสองชั่วโมงหมดแรงสนา ม, ม้องทำอะไรพอลุวมขึ้นก็ไปอีกที่หนึง่งสี่กิโลเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางดีแล้วตรงนี้นี่เป็นจุดหมายที่หลายคนนิยมไป ชืว่าุูเขาดอกไม้เวเลียฟลาวเวอร์เส้นทางนี้สวยงามมากก็เดินข้ามเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ชันเพราะเราไม่ได้ขึ้นสู่ยอดเขาเหมือนเฮนคุณเฮนคุณนี่ขึ้นสู่ยอดเขาเลยสูงเป็นกิโลแต่ว่า ุบเขาดอกไม้เนี่ยเราเดินแค่แค่เดินเดินข้ามไหลเขาไปมันเป็นที่ที่คนไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นคนไทยก็ไปกันเยอะแล้วระยะหลังเพราะว่ามันเป็นเป็นุูเขาที่สวยงามมีแต่ทุ่งหญ้า แะทุ่งยาและหาพวกนี้ก็เป็นหญ้าป่าก็ได้มีดอกไม้ขึ้นแต่ยังขึ้นไม่เต็มที่นะขึ้นเต็มที่นี่ก็ต้องเดือนสิงหาแต่ว่าถึงตอ น, น, นคนก็เยอะแล้วให้ไปช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันดอกไม้น้อยแต่ว่าคนก็น้อยด้วยเดินไปก็ภาวนาไปมัน ได้เจริญสติทำสมาธิไปด้วยในตัวแต่ว่าเขาไปได้ไม่นานนะถึงที่เขาไปไม่นานก็ต้องรีบกลับนะกลับมาที่พักก็ประมาณบ่ายสามขากับมีตัดสินใจนั่งหอยดีกว่าเพราะถ้าเดินนี่นานมาก คงถึงตัวเมือค่ำนั่งหอคนละพันห้านะเป็นการนั่งหอครั้งแรกในชีวิตไม่น่าเชื่อนะว่านั่งหอนี่แค่สามนาทีเองเดินนี่เป็นวันนะแต่นั่งหอนี่แค่สามนาที ก็ก็ถือว่าซื้อประสบการณ์การนั่งหอครัง้งแรกในชีวิตแล้วก็ได้ชมทันียภาภพที่สวยงามด้วยาถึงโดยวินกายก็พักพักเอาแล้วว่าจุดหมายสุดท้ายเนี่ยจุดหมายเป็นจุดหมายที่ยายสุดนะก็คือไปโคมุกนะ ข้อมูนี้ก็ถือว่าคนนี้โดยถือว่าเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำคงคาจริงๆข้อมูลนี้นแปลว่าปากวัวแม่น้ํำคงคาเนี่ยออกมาจากถ้านี้แหละมันเป็นถ้าแล้วก็จะมีน้ําเนี่ยไหลออกมาจากจากถ้านี้ แต่จะไปคมมุกด้นี่ก็ต้องไปคังโคตรีก่อนคังโคตรีนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ของสถานใจที่สําคัญที่ก็ถือเป็นต้นกําเนิดแม่น้ํำคงคาคังโคตรีนี่เป็นที่ที่มีชื่อที่สุดนในบรรดาสีแห่งชื่อผมก็ อ, กอยู่แล้วคังโคตรีคังโคตรีก็คือต้นกําเนิดคงคา เมื่อสักสามร้อยปีก่อนเนี่ยฐานน้ำแข็งเนี่ยมันจะมามันจะมาสิ้นสุดตรงที่คังโคตรีแล้วจากฐานน้ำแข็งก็จะกก็จะเกิด็จะมีน้ำไหลแม่น้ำสาเนืเองพกะขีรทีพะขีรทีนี่มันก็จะออกมาจากฐานน้ำแข็งที่อยู่ตรงคังโคตรี เราก็นั่งรถเป็นชั่วโมงนะ เ, เป็นวันนะจากโควินการเนี่ยตอนที่นั่งนี้ไม่รู้หรอกนะว่าในวันนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีฝนตกหนักพอเราเออกจากโกวินการไปแล้วเนี่ยไม่นานก็จะมีก็มีฝนตกหนัก วันลุ่งขึ้นมั้งมีฝนตกหนักแล้วก็มีดินถล่มบนเส้นทางแล้วคนตายก็เยอะสิบกว่าคนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยไปเฮมคุณล้นก็ปิดหมดเลยล้วก็นับว่าโชคดีที่ตลอดที่เดินทางนี่ไม่ค่อยเจอฝนแรงๆเท่าไหร่ ถ้าเราไปชา้าสองวันก็คงจะไม่ได้ไปจากขังโคตรีนี่ก็ต้องเดินแล้วเป็นการเดินที่ทไกลมากนะเพราะาต้องเดินถึงสิบแปดกิโลแต่ว่าเดินแต่ว่าไปก็ง่ายขึ้นเพราะว่าปรับตัวได้แล้วปรับตัวเข้ากับอากาศที่เบาบาง เดนสิบสี่กิโลก็ต้องพักก่อนนะพักค้างคืนแล้วก็วันลุงขึ้นก็เดินอีกสี่กิโลเป็นการเดินลอกขอเผวเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมันไม่มีให้เห็นแล้ว เดินในช่วงท้า ย, ายนี่ตั้งแต่เจ็ดกิโลเมตรสุดท้ายนี่มันมีแต่มีแต่หินกับหินต้นไม้ไม่ค่อยเหลือข้างบนก็ต้องระวังหินจะตกลงมาข้างล่างถ้าตกลงไปก็ก็เหวยังต้องมีไกด์นะต้องจ้างไกด์ให้เขาพานำไป ก็จะคอยบอกว่าที่ตรงไหนที่ต้องระวังเพราะเป็นเส้นทางเดินที่จะว่าไปก็น่ากลัวทางก็แคบนะไม่ก็แคบเน็ตเสร็จๆแค่เดินเสริรมันได้ใครที่กลัวความสูงนี่ก็ไปเส้นนี้ก็ลำบากเพราะแค่เดินแค่ชงโง่หัวไปไปดูตรงขอบเพลยนี่ก็ มันก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าตกลงไปก็ก็ลงไปที่น้ํำเลยน้ําก็เชี่ยวแล้วน้ําเชี่ยวนี่มันดังนะดังสนัน่นเสียงดังสนั่นนี่มันมันมีตลอดเวลาไปถึงนั่นก็เจอถึงรั้วโอ้ก็สมควรแล้วนาที่เขาจะเชื่อแม่น้ำํำคงคานี่มาจากสวรรค์เพราะว่า ภูเขประเทศ ต, ตรงนั้นเนี่ยมันธรรมชาติมันอลังการมากภูเขาสูงสูงลิฟต์เลยใหญ่แล้วก็บางช่วงนี้ก็จะมีภูเขาสูงแบบเป็นหิมะปกคลุบเนี่ยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราหรือบางทีก็โผล่ขึ้นมาระหว่างเขา คล้ายๆกับมีใครสักคนมองเราอยู่มันก็น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนซึ่งความความรู้ทางนักวิทยาศาสตร์ยังน้อยเนี่ย mm. ก็ยเชื่อว่าตรงนั้นแหละนะมันเป็นมันเป็นที่อยู่ของพระเจ้าของเทพเจ้าทั้งหลายในบริเวณภาคเหนือนที่เราเดินทางเนี่ยก็มีชื่ อ, อว่าเทวภูมินะเทวภูมิก็คือที่อยู่ของเทวดา ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนั้นก็ต้องเชื่อเลยนะว่ามันมีพระเจ้าเพราะว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็น่ากลั ว, น, ลวน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันเมืม่อภูเขาเมืองไทาภูเขาเมืองทํามันเล็กต้นไม้ก็เยอะยังไงก็ไม่อดตายมีอาหารแต่ข้างบนนี่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ เบาบางมากที่สุดอากาศก็เบาบางอาหารก็ไม่มีมันไม่มีต้นไม้เลยเลยน้ำก็อยู่อยู่ไกลอยู่ตรงเหวอันตรายก็เยอะทั้งความหนาวความยากลำบาก เสียงดังกล้องจากแม่น้าดังสนั่นตลอดเวลามันก็เสียงคำรามคนที่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันต้องเชื่อเลยเนาะธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเกรงขานจริงน่ายำเกรงก็ต้องคิดต่อไปว่าต้องมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเวลาเห็นภูเขาแล้วก็มีเมฆลอยอยู่ มันก็ลึกลับสวรรค์ที่คนเขาจินตนาการสวรรค์นี่เป็นที่อยู่เทวดาก็จะมีเมฆแล้วก็จะมีวิหารมีปราสาทอยู่บนก้อนเมฆวิมานภาพที่เราเห็นหลายภาพมันคล้ายๆกับสวรรค์จริงมียอดภูเขาอยู่เหนือก้อนเมฆก้อนเมฆนี่เป็นแนวเลยนะมันเหมือนภาพสวรรค์ที่ ที่แขกจินตนาการมัน ก, ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมนะคนอินเดียหนือมึงเชื่อว่าที่เขาฮิมาลายนี่ยมันเป็นมันเป็นที่อยู่ของพระเจ้าของเทพเจ้าป่าหิมะพานก็ดีพระสิวาก็ดีอยู่ตรงนั้นแหละมันมีเขารุ่นชืวว่อสิว่าลิงสิว่าลิงคอยมองเราตลอดเวลาขณะที่เดิน ภูเขาเป็นูเขาโผล่ขึ้นมากลางกลางเขาสูงอีกหลายลูกมันมันก็มีคนมาก้มก้มมองเอาอยู่คนฮินดูคงเชื่อแบบนั้นนหละสี่กิโลเมตรสุดท้ายก็ไปถึงโคมุกนะโคมุกไ อ, อทีเดินทีนู่นว่าเป็นเป็นดินทานน้ำแข็งนะแต่ว่าไม่เหลือน้ำแข็งแล้ว มันมีแ น, น้ำเชี่ยวก็ไปเกือบถึงปากปากถ้าแต่กายก็บอกว่าอย่าไปเลยมันอันตรายเส้นทางมันแ ย, ย, นย่เพราะว่าหินระเกียร์ะกาไปหมดหินกอยหมดเลยเพราะเกิดจากการเกิดจาก l a n d s l i อ e ที่นั่นนี่รอบรอบนี่มันมีร่องรอยของดินถล่มนี่เยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าเพิ่งเกิดพิเรยหลัง เพราะโลกร้อนก็ไม่รู้ไอทาน้ําแข็งที่มันควรจะเป็นทาน้ําแข็งก็มันก็ละลายกลายเป็นน้ํามันคงไม่ใช่เป็นเพราะฤดูร้อนธรรมดานะแต่ก็คงเป็นเพราะเรื่องโลกร้อนเลยก็เป็นช่วงที่สงบมากนะไม่มีใครก็คนนื่นอาจจะไปไปเพื่อชมวิวชูทัศแต่ว่าไอเราไปก็ก็มีแตได้เข้าใจเรื่องวัฒนธรรม งคนฮินดูเรื่องศาสนาคนฮินดูแล้วก็ได้มีโยกาศได้อยู่กับความสงบอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> ก็เหมือนฝันนะพ อ, พอกลับมาที่เดลีนี่มันคนละเรื่องเลยกลับมาถึงเดลีนี่คนพุกพ่านวุ่นวายหมดคนมารุมามาตุ้มขายของแต่ที่โน้นนี่มันไม่มีใครมายุ่งมาต่อยาอะไรกับเราต่างคนต่างก็เดินไปถึงจุดหมาย คนเดียวไปก็ไปเก็บแม่น้ําเก็บน้ําเอาน้ําคงคามายิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นตน้นกำเนิดแม่น้ำคงคาเท่าไหร่ยิ่งถีอว่าศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บเอาน้ําคงคามาเพื่อมาสักการะบูชาหรือเพื่อมาทําบุญทาน้นํามนต์ต่อไปเดี๋ยวพระที่คังโกตุยก็เล่ายุยยอดเสนี้ก่อนนะในเส้นทางที่ไปเดินตลอดสึกวันเรื่องกัน